จิตยิ่งมีภาระน้อยเท่าไหร่ภูมิปัญญาภูมิธรรมก็พัฒนาขึ้นตามลําดับแต่ถ้าจิตของเรายังหนักหน่วงไปด้วยการแสวงหาโดยอํานาจของความอยากภูมิปัญญาของเราก็เจริญช้านะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องอให้เห็นความเชื่อมต่อของกายเวทนาจิตให้ชัดเจนเพราะว่า เ, วเป็นเส้นทางที่ผู้เที่ยวท่านตัดเอาไว้มักตรงนี้เท่านั้นนะ เราก็เอกายโนมักอันเดียวนี้เท่านั้นที่จะนำให้เห็นชัดเจนว่าธรรมจะไปสู่มรรคผลได้อย่างไรถ้าเราไม่ชัดเจนตรงนี้จนขึ้นใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ความหลงความเคยชินซึ่งมันกินชีวิตเรามาไม่รู้กี่พบกี่ชาติมันก็ทำหน้าที่ของมันเหมือนเดิมนะ่แต่พอเราใช้เวลาตรงนี้เอาใจใส่ศึกษาตรงนี้น้านี่มันจะมนน้าไหลตามไปน้าไหลมากี่ร้อยกี่พันกี่วันกี่ปีก็ตาม วันดีคืนดีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นทำเขื่อนสามารถหยุดน้ำภัยได้ภายในไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะก็เป็นพลังมหาศาลเรียกว่าเขื่อนที่เรากล่าวกันบ่อยๆแม้ว่าอุปนิสัยความเคยชินอวิชชาครอบงำเรามากี่หมืน่นกี่แสนปีก็ตามแต่ถ้าเรามีวิธีสร้างทำนบคือเขื่อนของสติสมรยปัญญาให้เข้มแข็งภายในเวลาอันสั้นนี่กระแสแห่งความเคยชินเหล่านั้นสามารถถูกบล็อกได้อย่าง เวลาไม่นานแล้วกระแสะแห่งความคุยชินก็จะเป็นกระแสะแห่งปัญญากระแสะแห่งสมาธิได้ชัดเจนเราก็สามารถใช้มันอย่างมหาศาลเหมือนเราสามารถใช้น้ําในเขื่อนจะใช้ไปทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไหร่ก็ย่อมได้เมื่อเราสกัดกระแสะของโลภะโทสะโมหะได้สําเร็จกลายเป็นกระแสะแห่งศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ร่ำรวยด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาตรงนั้นตลอดชีวิตเราก็จะได้ใช้มันได้สบายเพื่อบําบัด ความทุก์ยากอะไรต่างๆให้แก่ตนเองด้วยแล้วก็ทําตามพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านพระงได้สําเร็จด้วยตัวของต น, นเองท่านก็สามารถแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์อันนี้ให้แก่สัมพิจารณ์ทั้งหลายจนเป็นเวลาสองสาพันปีแล้วยังไม่มีทีเท่าว่าจะสิ่นสุดลงก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆโดยอาศัยพระอริยสาวกพาาระอรหันต์ทั้งหลายที่สืบทอดกันมาจนถึงรุ่นเรามาื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องได้ศึกษาอย่างท่านอย่างจริงจัง เราก็จะทำเล่นๆตามกระแสตามสังคมไปมันไม่ได้มันเสียเวลานะเสียเวลาแล้วก็ชีวิตของเราผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนเอาคืนไม่ได้นะ